จะเทียบจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอหันตท่านกับจิตพวกเรานี้จิตพวกเรานี่เหมือนยูงตีกันกระจายม่ยูงชกกันยุ่งอยนั่นไม่มีเวลาสงบยุ่งกันอเวลายุ่งเหมือนยูงตีกันยุงชกกันจิตของท่านบริสุทธ ถาจะเทียบก็เหมือนกับน้ำหนี่ที่ใสสะอาดเต็มที่แล้วนี่งมีเพียงเรื่งข้อเทียบเทียงแต่จิตนั้นมันไม่เหมือนน้ำเพบไม่ใช่ด้านวันตถุแต่ก่อนเคยเป็นจิตสภายุ่งเหมือนกันกับพวกเราเนี่จิตของทุกคนต้องเป็นสภายุง่งชกกันอยู่ต่อยกันอยู่ตลอดเวลา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 คุณมุมดยกับความยุ่งของตัวเองความเดือดร้อนรุดนบานงตัวเองเพ่งเกิด อ, อู่ภานในใจโดยเฉพาะเฉพาะเ่อนไม่ชอบไม่ใครยุง่งไม่ชอบไม่ใครไปรแยกผู้แยกก็ได้แก่พระพุทธเจ้ า, าที่ครูอาจารย์พระสงฆ์สาวกพระราหันหันแยกออกด้วยเหตุด้วยกลด้วยอาจ ด, ด้วยธรรมแต่จิตไม่ชอบธรรมนาจิต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 เรียนกรรมฐานทำงาน mm. กรรมะแมลย ว, ว่าการกระทำรฐานะคือที่นี่ทำงานในทะางกายในใจของเรานี้งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากการรู้พบรู้ค่ารู้พิเดชคัญหาอาสวะจะต้องรู้ที่จิตจะต้องรู้ที่ทงานเนี่ยคือกรรมฐานเสนอเสียสารุมาะขาสันตาตะโจเป็นต้นจิตมันยึดถือสิ่งเหล่านี้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 เตอาลูมานาคาตันตาตะโจตะโจตันตานาคาลูมาเตซาสอนอารมณ์พิจารณาแบบอารมล์พิจารณาปัจจุลมถอยไปถอยมาเพื่อให้เกิดความจำนิทํำนานให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องละเอียดลอเข้าไปโดยลำดับลำดับ อ, อุปชาใดก็ตามเวลาบวชคุณบุตรต้องได้สอนกรรมาฐาน เพราะนี่เป็นเครื่องมือคที่จนถือเป็นหลักสาคัญในการถอดถอนพิเรนต์ปัญหาสารอุปทานทั้งหลายออกได้ต้องสอนนิทหนาตระจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าอันนี้ข้อควาเป็นต้นากาตัวรากาทั้งหมดรวมอยู่ใน น, นี้อันนี้สอนให้พิจารณา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 อย่ น, นี้มันจะวิ่งเขาถึงจุดที่ตนเคยพิจารณาอย่างไรแล้วเห็นชัดเจนอย่างนั้นภายในใจของตนเองอย่างรวดเร็วนี่คือความทำ ง, งานแล้วเขียนหนังสือทีละเขียนแล้วลบๆบแล้วเขียนไม่เป็นตนเป็นตัวเราเพิ่งหัดอ่านแล้วลืมลืมแล้วอ่านเขียนแล้วลืมลืมแล้วเขียนยนั่งไม่เป็นตนเป็นตัว